ทุกของคนเรามันก็เกิดจากความยึดติดในใจปัจจัยภายนอกเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรารับรู้อันนั้นมันเป็นส่วนประกรอบแต่ว่าตัวการจริงๆที่ทําให้ทุกเนี่ยก็คือใจของเราที่มันไปหลงยึดติดและสิ่งที่เรายึดติดมันก็มีหลายอย่างยึดติดในเรื่องที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ยังเก็บออกมาคุณคิดจนเติดช้านําใจ เรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็คิดปรุงแต่งตีตนไปก่อนไข้เกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลบางครั้งก็ไปยึดเอาสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปยึดว่าเป็นจริงอย่างเช่นเห็นเชือกก็เป็นนึกว่ามันเป็นงูแทนนึกไว้มันไม่เป็นไรแต่พอไปยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็กลัวแต่ยินเสียงกุกกักุกกอยู่นอกกุติ มันก็เป็นธรรมดาแต่พอเราไปปรุงแต่งตั้งภาพว่ามันเป็นปนที่อาจจะทํำมิดีมีร้ายหรืออาจจะเป็นผีพอไปคิดเอาแบบนี้แล้ไปยึดเอาว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็กลัวนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันนี้ก็เป็นเรื่อ ง, องความยึดติดคือมันเป็นธรรมดาที่คนเราจะปรุงแต่งอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มันเห็นมั น, ม, นมันก็ไม่ปรุงต่อ แต่พอเราไม่รู้เราไปยึดเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องที่หลอกเราเองทำร้ายเราเองแต่ว่ารากเ ง, งาของความยึดติดทั้งปวงก็คือความยึดติดหรือว่ายึดมันสำคัญหมายว่าเป็นตัวกูของกูยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอันนี้คือรากเ ง, งาของความทุกข์ทั้งมวลนะก็เรียกว่าเป็นตัวการใหญ่ ที่อยู่ลึกที่สุดของบรรดาความยึดติดทั้งหลายและสิ่งที่เรายึดติดหรือยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูนี่มันไม่ใช่แค่รูปธรรมเช่นทรัพสมบัติแต่มันยังรวมถึงนามธรรมเช่นความคิดและมันไม่ใช่แค่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ให้ความพอใจแก่เราให้ความสุขแก่เรา ไอสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลที่ให้ความทุกข์แก่เราก็ยังเผลอไปยึดเข้าไปด้ว ย, ยเช่นความโกรธความปวดความเ ท, ท้อแท้ความโศกเศร้าความขับแค้นใจไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะใครๆก็ไม่ชอบแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดโกรธก็แทนที่จะเห็นความโกรธก็ไปยึดว่าฉันโกรธความเครียดแทนที่จะเห็นมันว่ามันไม่ใช่เราก็ไปยึดว่ามันเป็นเร า, าไปยึดเอาแล้วก็ thonu ถ น, นอมรอเลี้ยงมันใครจะมาชวนให้ไปทําอะไรก็ไม่อยากไปจะจมอยู่กับความเศร้าคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียลูกสูญเสียคนรักก็มักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวจมอยู่กับความทุกข์ใครจะชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปอันนี้เรกว่ามันเป็นความยึด ต, ติดอีกแบบหนึ่งที่ว่าแม้ว่าจะเป็นอกุศลแม้ว่าจะทําให้ทุกข์ก็ยังยึดแลนั่นเป็นการยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆนะ ความโกรธเป็นของเราเราเป็นผู้โกรธไอสิ่งที่ไม่ดีแม้แต่ศัตรูศัตรูนี่เราก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็มักจะไปยึดว่าเป็นศัตรูของเราศัตรูของเราเนี่ยในการยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเรานี่มันมันมีความละเอียดอ่อนมากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานตรงนี้เนี่ยไอความยึดติดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยถ้าจะเทียบกับกิเลสที่เขาเรียกว่าปัปปัญจ นะมันมีกิเลสหมวดหนึ่งที่เราปรับปัญจะคือกิเลสที่ทาให้เป็นเครื่องเงื่อนช้ามันก็เข้าได้กับกิเลสตัวนี้คือตัณหาแล้วก็ทิฏฐิตัณหาคือการไปยึดไปอยากว่ามันเป็นของเราแล้วก็ทิฏฐิก็คือความยึดในความคิดว่าเนี่ยคือตัวเราแล้วก็ที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คือตัวสั ก, กยทิฐิคือความยึดติดว่ารูปรนามกายและใจเนี่ยเป็นของเรามาเป็นตัวเรา เราก็เผลอไปยึดเอาเสียงตามเป็นตัวเราอยู่เสมอบ้านไม่ใช่แค่บ้านของเราแต่มันเป็นตัวเราด้วยหรือร่างกายของเรานี้ก็ยิ่งชัดก็ไปใหญ่นะยึดว่าเป็นตัวเราจริงจริงพออะไรที่มาแต่ต้องร่างกายนี้ไม่ว่าจะสัมผัสหรือว่าตําหนินะมันก็รู้สึกว่าโอ้มันว่าเรามันว่าเราเห็นรูปร่างเห็นหน้าตัวในกระจกก็ยังมั่นใจว่านี่คือเรา แล้วก็ทุกข์กับร่างกายนี้มันไม่เป็นไปตามใจก็ทุกข์มันพร้อมไปก็ทุกข์มันอ้วนไปก็ทุกข์มันมีสิวก็ทุกข์เพราะไปคิดว่ามันเป็นเรามันเป็นตัวเราอันนี้แหละคือสกยติทิทพย์ท่นพื้นฐานเลยซึ่งเป็นสัญญตที่ทําให้ยังยึดติดผูกมัดอยู่กับวัตตาสงสารคือการเกิดการดับนะไม่มีจบไม่มีสิน้นคราวนี้เนี่ยพูดถึง ตันหาทิฏฐิแล้วก็มีอีกตัวนี่คือมานะไม่ใช่มีแค่สองมันมี3คือตันหาทิฏฐิมานะคล้ายๆกับอกุศลมูลนะก็มีโรคกวดหลงตัวตันหาทิฏฐิมันไม่ครบมันต้องมีมาน ะ, ะตัวกูก็ถือว่าเป็นส่วนทิฏฐิของกูก็เป็นส่วนเรื่องตันหาแล้วมานะนั่นจะมีอะไรเข้ามามานะนี่มันหมายถึงอะไรก่อนอื่นก็อธิบายก่อนมานะนี่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้าใจว่าเป็นคำดี มายถึงความพยายามก็เรียกว่าเออมานะพยายามที่จริงมานะมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งและเป็นกิเลสตัวใหญ่ด้วยเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้นะพระนาคามียังละไม่ได้เลยตัวมานะเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายที่กู้ข่าวิชาที่ต้องละให้ได้ถึงจะเป็นพระอรหันต์มานะเนี่ยคือความถือตัวถือตัวว่าสูงกว่าหรือว่าความอยากใหญ่อยากดังความสําคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่ มานาที่มันหยาบหยาบคือความถือตัวว่าฉันประเสริฐฉันเลอฉันฉันเก่งความอยากใหญ่อยากมีอำนาจก็เป็นมานะเหมือนกันตันหานี่มันส่วมันเป็นความอยากมีอยากได้ที่มันเป็นในส่วนที่เป็นกามอยากรวยอยากเสพอยากบริโภคอยากมีอยากครอบครองในเรื่องวัตถุที่เป็นการมคุณอันนี้เป็นความอยากฝ่ายตันหาแต่ถ้าเป็นความอยากใหญ่อยากดังอยากมีชื่อเสียง อันนี้คือมานะมันจะเด่นออกมาตรงนี้หรือว่าความสําคัญว่าชั้นสูงกว่าอย่างเช่นหรือตัวว่าเรียนสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าคนที่เรียนจบแพทย์ปอหกหรือว่ารวยกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่สูงกว่าคนธรรมดาหรือคนธรรมดาก็จะตัวเองนี่สูงกว่ายาจบบางทีมานะมัก็เกิดจากอาชีพ นะเช่นเป็นครูเป็นหมอก็รวมมาถึงเป็นพระด้วยเขาบอกว่าในรมนดาอาชีพที่ดือ้อสอนยากก็คือหมอครูพระเพราะคิดว่าตัวเองมีความรู้พระนี่ถ้าจะสอนก็ไม่ได้ต้องใช้คําว่าถวายความรู้พอพูดคําว่าสอนพระแล้วมันแสลงใจต้องมาเปลี่ยนเป็นถวายความรู้นะเพราะว่าในงานเนี่ยพระจะไม่ชอบเพราะว่าไม่ชอบไปเขามาสอนโดยเฉพาะคารวะอันนี้มันก็แสดงถึงมานะอีกอย่างหนึ่ง บางทีเรื่องเชื้อชาติก็ทําให้เกิดมานะได้เช่นคนไทยก็จะรู้สึกว่าตัองมีสูงกว่าคนขเขมรคนลาวหรือว่าสูงกว่าพวกชาวเขาบางทีคนไทยก็ถือว่าตัองสูงกว่าเก่งกว่าพม่า ก, ก็มีสมัยที่พระพิมลธรรมเมื่อสักห้สิปีที่แล้วจะไปจะไปศึกษากรรมฐานที่ประเทศพมา่าก็มีพระผู้ใหญ่ฝ่ายไทยนี่จํานวนไม่น้อยไม่พอใจ ก็บอกว่าประเทศไทยนี่พุทธศาสนาในเมืองไทยนี่มันสุดยอดแล้วทําไมต้องไปเรียนจากพมาก่ามันเป็นเสียเกียรติยศนะอันนี้ก็เป็นมานะเป็นความถือตัวว่าฉันเก่งฉันแน่หรือว่าพวกฉันเก่งพวกฉันแน่บางทีก็เป็นข้าราชการก็ถือตัวว่าสูงกว่าใหญ่กว่าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนที่ผู้หลงก็มีข้าราชการคนหนึ่งมาบวชในปีนั้นก็มีลูกชาวบ้านก็มาบวช ด, ด้วย แล้วก็ลูกชาวบ้านก็ทำตัวไม่ค่อยเรียบร้อยพระที่ท่านเป็นราชการที่ลามาบวชแล้วก็มีอายุพอสมควรท่านก็ตาหนิพระที่เป็นลูกชาวบ้านก็ซึ่งเป็นไหวรุนก็แสดงท่าทางกิริยาการไม่สุภาพท่านก็โมโหเหมอนที่เทีย่ยนที่เป็นราชการกบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงฉันเป็นราชการชั้นเอกนะทำอย่างนี้นะทั้งนั่งที่ก็เป็นนะวะกะเหมือนกัน แต่ว่าความรู้สึกสําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นข้าราชการสูงกว่าชาวบ้านมันก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ขึ้นมาไอ้คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเจ้าคนในคนก็เป็นมานะเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ว่าเป็นนายตํารวจใหญ่เนีก็รู้สึกว่าตัวเองนี่สูงกว่าตํารวจชั้นคุณน้อยหรือว่าสูงกว่าประชาชนยิ่งเป็นคนเด่นคนดังนี่ก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ไอ้ตัวมานะเนี่ยมันจะแสดงอาการมันชอบประกาศอัตรา มันไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่ชอบให้ใครมาสูงกว่าเด่นกว่ายิ่งคนที่มียศสูงมีตําแหน่งสูงเป็นที่มีรู้จักกว้างขวา ง, วางเวลาไปไหนนี่ก็คาดหวังว่าจะให้คนปฏิบัติกับตัวโดวยความเคารพมีเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของพัตตะคารแห่งหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีนายตำรวจใหญ่นะใหญ่มากนะมีชื่อเสียงพาเพื่อนมากินอาหารเขาจะเป็นเวลากลางวันก็ลูกค้ายเยอะ โตของในตํำรวจคนนี้สั่งอาหารไปแล้วก็ไม่มาสักทีในตํารวจก็เลยเรียกเจ้าของมาไม่ได้มาต่อว่าเฉยแต่ว่ามาถามว่ารู้หรือไม่วัวเป็นใครรู้หรือไม่วัวเป็นใครเดี๋ยวนี้นี่คําำนี้นี่ก็ใช้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกสอสไม่ว่าจะเป็นลูกนายงเทศมนตรีหรือว่าเป็นสสเวลาตํำรวจเรียกจ่ายค่าปรับก็จะบอกว่ารู้ไหมวัวเป็นใครหรือรู้ไหมว่าอัวเป็นลูกใคร เคยมีข่าวที่วัยรุ่นตบตีกันในร้านเซเถึงขนาดเอาน้ําร้อนที่กําลังใสพ่พวยมาม่าเนี่ยสาดใส่หน้าเพราะว่าเข้าแถวแล้วมีการทักาวการพ่วงว่าแซงคิวนะไอ้ผู้หญิงที่เอาน้ําร้อนสาดก็โอ้โหต่อรอต่อเถียงกันสักพักก็พูดกับอีกฝ่ายนี้ว่าลูกอ้ววเป็นลูกใครคือเขาเป็นลูกลูกนายตำรวจแถวนั้นยกระดับแค่พันตำรวจโทนั่นแหละแต่ก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มาหน้ามันเกิดขึ้นไปทั่วเดี๋ยวนี้ เวลามีเรื่องทะเลาะกันก็มักจะพูดกันว่ารู้ไมว่าเป็นใครอันนี้เป็นมานะแบบดิบๆนะคือความรู้สึกว่าชันสูงกว่าฉันเหนือกว่าฉันใหญ่กว่าพูดง่ายคืออวดเบ่งนั่นแหละความอวดเบ่งที่มันเกิดจากมานณะเพราะว่ามาระนี่มันต้องการประกาศตัวตนไอ้ตัวกูของกูเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยแค่ตัวกูของกูมันยังไม่ครบนะมานะก็ต้องเรียกว่านี่กูนะกันเลตัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะ อันนี้ท่านเจ้าคุณพรมพุณาพรท่านเติมใหม่คํานึงให้มันครบสามตัวกูของกูนี่เป็นคําที่อาจารย์พุทธาธบัญญัติขึ้นแต่ว่ามันไม่ครบมันต้องมี3ตัวกูก็ทิฏฐนะิของกูก็ตัณหานี่กุนะก็คือมานะไอ้คําว่านี่กุณานี่มันจะแสดงประกาศตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีมันก็มาแบบละเอียดอ่อนนะนะอย่างเช่นพระอันนี้ก็มีมานะเหมือนกันทาไมระวัง บางทีก็คาดหวังว่าคารวะมาก็ต้องกราบต้องไหว้ต้องพูดจาบางทีพูดไม่ถูกเราก็เกิดความขุ่นเคืองในใจอาจจะไม่แสดงออกมาเช่นใครๆเขาเรียกเราว่าอาจารย์แต่ว่าพอมีคนมาเรียกเราว่าพระพระอ่างวลพระอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์หรือที่ถูกเรียกว่าหลวงพ่อหลวงปู่ก็จะสะกิดขึ้นมาในใจหรืออาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาว่ามาเรียกพระได้ยังไงทําไมไม่เรียกเป็นอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อหลวงปู่อะไรเงขาว่าไป มันก็มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นมานณ์ที่ละเอียดหน่อยคือมันมีความสําคัญมั่นหมายในความเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าวัดก็เหมือนกนันก็มีความรู้สึกว่าเออลูกวัดก็ต้องเชื่อฟังลูกวัดไม่เชื่อฟังก็จะเกิดความขุนขุนใจขึ้นมาขัดเคืองใจขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวมานะแต่ว่าบางคนก็แสดงอาการที่ชัดเจนมีเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปเยี่ยมวัดวัดหนึ่ง ลูกว่านี่ไม่รู้จักเจ้าคณะจังหวัดก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับปฏิบัติต่อท่านเหมือนกับอาการตุกกะท่านก็ไม่พอใจไปถามารู้ว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอันนี้คือตัวมานะที่มันแสดงออกมาอย่างเด่นชัดคือมีโทสะเกิดขึ้นแต่ว่าบางทีก็ไม่มีโทสะแต่มันเกิดความขัดใจขึ้นมาคนที่เป็นรุ่นพี่ หรือคนที่มีการศึกษาก็อาจจะรู้สึกว่ามิถ้ารุ่นน้องหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเขาเถียงก็จะเกิดความขัดใจขึ้นมาพอลึกๆต้องการความเคารพจากเขาไอ้ตัวมานะนี่มันคือตัวที่สาคัญมากที่ไถถอนยากและมันเป็นความยึดติดในตัวตนอกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายที่จะเอาชนะมันได้อย่างที่บอกไว้แล้วมันเป็นสัญญ สังโยชน์ตัวใชท้ายที่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้มานะที่มีกับผู้ที่มีการศึกษาที่มีการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมานะที่ละเอียดมันไม่ใช่เป็นความอยากเบ่งหรืออวดใหญ่อวดดีแต่ไม่เป็นความยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันไม่ใช่ความอยากใหญ่แต่ยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นพระเป็นนักปฏิบัติหรือแม้แต่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้ก็เป็นมานะแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าอสมิมานะ คือความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ในสมัยพุทธ ก, กาลก็มีพระเถรีรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมเรียกว่าท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็คงจะบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วก็มีมารมามารมาผจนมานี่มันก็มาผจนในหลายรูปแบบเอาไว้ว่างๆก็จะเล่าให้ฟังผจญในลักษณะใดาบ้างแต่ว่ามารตัวนี้เนี่ยมามาบอกกับโสมาเถรีนะฉันชื่อโสมาว่า เป็นผู้หญิงอ่ะปฏิบัติไปจะได้ประโยชน์อะไรไม่มีทางเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วอย่ามาปฏิบัติเลยนะ mm. ท่านสมมาเทลีตอบจะว่ายังไงท่านตอบว่าสําหรับผู้ที่มีสติมั่นรู้แจ้งในธรรมความเป็นหญิงจะทําอะไรเราได้ mm. ผู้ที่ยังยึดติดถือมั่นว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าสําคัญตนว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่บอกให้ท่านไปหาเขาเถอด ให้ไปหาให้ไปหลอกไปล่อคนที่ยังคิดว่าเป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อันนี้ก็แสดงว่าท่านพ้นจากเรื่องอัสมิมาณะแล้วตือรู้ว่าไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่แม้กระทั่งความเป็นหญิงเป็นชายนี่มันก็เป็นสมมุติแต่คนเราส่วนใหญ่ก็ติดกับสมมุติตรงนี้แหละน้อยๆก็ยึดติดว่าสําคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นคนไทยฉันเป็นแม่ฉันเป็นพ่อคนที่เป็นแม่เวลาลูกเถียงเวลาลูกไม่เชื่อฟังก็จะ ไม่พอใจกิเลสก็จะออกมาว่าฉันเป็นแม่เธอนะอย่ามาเถียงฉันฉันเป็นพ่อนะอย่ามาเถียงนะฉันเป็นครูนะฉันเป็นเจ้าวาดมันก็มีนะฉันเป็นอาจารย์นะลูกศิษย์อย่ามาอัดคืนไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่ความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เจือไปด้วยกิเลสมันเป็นสิ่งที่เจือไปด้วยกิเลสแม้แต่ว่าจะเป็นในสิ่งที่ดีก็ตามเช่นเป็นคนดี พอไปยึดมาสําคัญมาว่าฉันเป็นคนดีเท่านั้นแหละมันก็เตรียมใจทุกได้เลยเช่นเป็นคนดีแล้วคนอื่นไม่เห็นว่าเราดีเพราะว่าเราไม่มีศีลเพราะว่าเราไม่มีสติเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีอะไรที่จะเจ็บปวดถ้าวัตถุกว่าไม่มีสตินะหรือว่าไม่มีศีลซึ่งคนธรรมดานี่ไปว่าเพราว่าไม่มีสตินี่เขาหัวร้อเลยก็ไม่สนใจถือว่าเบามากเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสัตว์เล็กยังจะโมโห แต่มาว่าว่าไม่มีสตินี่เขาเฉยแต่นักปฏิบัติทำนี่โอ้ถ้าถูกว่าว่าไม่มีสติเนี่ยกินข้าวไม่มีสติเลยเสียงดังเนี่ยหรือว่าไม่มีสีเนี่ยโอ้โกโรธมากนี่แสดงว่าความยึดมันสําคัญหมว่าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติมันมันกัดละมันกัดเราละเนี่ยจามพูดท่านว่ามันกัดเราละความเป็นคนดีอันนี้เป็นอสมิมาณะอย่างหนึ่งนะหรือว่า สำคัญมาหมายฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักปฏิบัติแต่เวลาเห็นนักปฏิบัติคนอื่นเขาทําดีกว่าเราเขาเข้มงวดเขาเข้มแข็งกว่าเราเขาตื่นเช้ากว่าเรานะเขเอาจริงเอาจังกว่าเราโอ้มันทุกข์กขึ้นมาเลยมันทุกข์ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คือทุกข์กของคนดีทุกข์ของคนดีคือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีกิเลสที่ทำให้ทุกข์ได้กิเลสตัวนี้มันคืออุปทานอย่างหนึ่งการที่คนเราจะเกิดพบเกิดชาติได้นี่มันต้องมีอุปทานมาก่อน พอผัสสะเกิดขึ้นแล้วมันมีเวทนาตามมาถ้าไม่มีสติมันก็ปรุงแต่งเป็นตันหาอุปาทานอุปาทานความยึดติดยึดติดในมาตรฐานความดียึดติดในกิเลยึดติดในความเด่นความดังความมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดิ้นหลนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นไอ้ตัวดิ้นหล่นนี่ก็เรียกว่าตัวพบกลัมาพบแล้วก็มันก็ปรุงแต่งบุคลิกขึ้นมาจนกระทั่งรู้สึกว่าเออฉันเป็นคนดีจริงๆนะฉันเป็นนักปฏิบัตินะไอ้ตัวนี้แหละคือตัวชาติ ตัวชาติมันเกิดขึ้นความคือความเกิดเป็นตัวตนว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ก็ทําให้เกิดอัสมิมานะก็เป็นมานะอย่างนึงที่ทําให้ทุกได้เพราะว่าถ้ามันมีคนเก่งกว่าเราหรือถ้ามันมีใครมาว่าเราเรียกว่าความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้ก็สั่นคลอนความเป็นนั่นเป็นนี่มันถูกสั่นกลอนมันคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมคนที่เป็นคนดีถูกต่อว่ามันก็เกิดความสั่นสะเทือนในความเป็นคนดีเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาที่ซ้า จย่างคนที่ยิ่งใหญ่นะียิ่งใหญ่อย่างเนียคิเลอเนี่ยนะพราะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแต่โดยพื้นฐา น, นี่เขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเป็นศิลปินเป็นนายสิท์แล้วก็จับพัด จ, จับปูขึ้นมากลายเป็นผู้นำประเทศก็แสดงอำนาจบาดใหญ่เพื่อกลบปมด้อยว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ไม่สำเร็จแล้วก็ความสาเร็จแต่อย่างก็ทาให้เขาโซ า, าเป็นคนเก่งคนมีความสามารถเป็น มหาบุรุษแต่ว่าพอสงครามนี่เริ่มแพ้เริ่มถอยฮิตเลอร์นี่ก็เริ่มจ่อยเลยที่เคยไปแสดงตัวต่อหน้ามหาชนประกาศชวนชว น, ชวนผู้คนโดยความพึกเฮิรมก็ค่อยค่อยหลบหน้าผู้คนเพราะว่ามันไปสะเทือนความยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นคนเก่งคนยิ่งใหญ่ภาพตัวตนที่สร้างเอาไว้มันเริ่มสั่นคลอนจากความาพ่ายแพ้ที่ค่อยๆมาทีละอย่างทีละอย่างอันนี้ก็เรียกว่า ไอ้ความยิ่งใหญ่ความเป็นคนผู้ น, นำมันเริ่มสั่นคลอนเรียกว่าเข้าสู่ชลาหมรณะจากพบใช้ก็ชลาหมรณะแล้วก็ทุกข์มากจนกรต้องฆ่าตัวตายเพราะทนรับความแพ้ไม่ได้อันนี้ก็มันเป็นภาพลวงไอ้ความสําคัญมันหมายว่าเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันเป็นภาพลวงมันเป็นสมมุติที่เราก็ต้องรู้เท่าทันเพราะถลามไม่รู้เท่าทันเราก็ไปยึดเอาว่าเป็นความจริงเป็นของจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ มีผู้ว่าคนหนึ่งตอนได้เป็นผู้ว่าในจังหวัดที่ใหญ่เนี่ยแกก็รู้สึกปลื้มรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนสําคัญแต่ว่าพอเกษียณใจก็ฟอเลยนงอยเลยเสร็จแล้วมีวันนึงก็ได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงที่จังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าเนี่ยเขามีการจัดงานตัวเองก็ดีใจนะรู้สึกว่ากระชุมกระชวยขึ้นมาทันทีเพราะว่านึกถึงภาพพี่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นใหญ่มีคนห้อมล้อมมีคนคารวะนะ ไปไหนก็มีคนต้อนรับแต่ว่าพอไปถึงในงา น, นจริงๆปรากฏว่าไม่มีคนสนใจข้าราชการเดิมที่เคยปราบกรานนะเคยมาประจบ ป, ประแจงก็เคยมาห้อมล้อมก็ไม่มาสนใจเขาไปสนใจผู้ว่าคนใหม่ข้า บ, บดีนายทุนก็ไม่มาสนใจหงอยเลยตัวเองนั่งอยู่ก็มีแต่ข้าราชการพู่นน้อยมาคุยด้วยเสร็จจากวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่ากลับไปบ้านก็อยู่ไม่นานก็ตาย นี่เลยว่าไอ้มานะความถือตัวนี่พอไปยึดว่าเราเป็นนั่นแล้วไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้ว่ามันคือแค่หัวโขนที่เป็นของชั่วคราวคือใส่หัวโขนแล้วไม่ยอมถอดมันก็ทุกไม่ลู้วนมันเป็นสมมุติแต่ไอ้ตัวหัวโขนเนี่ยมันยังพอเท่าทันนะถ้าเรามีสติดีมีปัญญาตแต่ว่าไอ้ตัวอัสมิมาณาหรือความยึดติดสําคัญว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นี่มันหนียาก ยึดถือว่าฉันเป็นคนไทยยึดถือว่าฉันเป็นผู้ชายยึดถือว่าฉันเป็นพระนี่มันมันแนบแน่นอยู่ในจิตส่วนลึกเวลาฝันก็ยังฝันว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันเป็นสมมุติที่เราไปยึดว่าเป็นจริงจนกระทั่งความเป็นมนุษย์ความเป็นบุคคลความเป็นเราว่านี่ฉันพระไพศาลนะอันนี้มันก็เป็นสมมติพอไปยึดว่าเป็น ฉันเป็นพระภัยสารมันก็เท่ากับว่าโดนโดนมานาเข้าไปเล่นงานเข้าไปแบบลึกๆแล้วแ้วเวลาพอมัมีมานาเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ตามมันคือความสึกเสียหน้าทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาปูกเขาตําหนิเขาสึกเสียหน้าแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราก็จะหัวเราะเย่อดได้หัวเราะย่ะตัวเองได้เวลามานามันต้องการประกาศตัวตนของมันซึ่งตัวตนไม่มีอยู่จริงหรอกแต่มันต้องการประกาศ มันอวดเด่งเราก็หัวเราะเยาะมันหรือเวลาเสียหน้าเราสึกเศร้ารู้สึกอับอายถ้าเรามีสติทันเราก็จะรู้เออมันไม่ใช่เราที่เสียหน้ามันมนกินเลสต่างหามันเป็นตัวมานัทต่างหาที่เสียหน้าคนเราเวลาเสียหน้าแล้วเนี่ยมันมันก็อดไม่ได้ที่จะกโกรธโกรธคนอื่นที่เข้ามารับรู้ว่าเราทําผิดทําพลาดโกรธคนที่เข้ามาต่อว่าเราหรือมาทําให้เราเสียหน้ามันต้องหาเรื่องโกรธใครก็ ไ, ได้สักคนเนี่ยเพื่อที่จะ อ้างหรือหาผู้ง่ายหาแพะมารับผิดชอบกับการที่เราเสียหน้าแ ต, แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันในตัวมานะว่ามันมันกำลังหาแพะเราก็หัวเราะเยาะมันคนเราต้องหัวเราะเยาะตัวเองให้เป็นเพราะถ้าเราหัวเราะเยาะตัวไม่เป็นเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยมันจะถูกมานานีกขี่คอเวลามันทุกข์เพราะเสียหน้าก็เออให้รู้ซะว่าในตัวมานะหรือตัวกิเลสต่างหางที่ทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์ เดี๋ไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นของเราแต่พอเราไม่มีสติเราก็โง่นะไปเอาความทุกข์ของมันมาเป็นของเราเราต้องฉลาดพอที่จะคืนกลับให้มันไปคืนให้มันไปความทุกข์คืนให้มันไปมันเสียหน้าเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เราดีซะอีกจะได้เป็นการทรมานตัวมานะทรมานอัตตาต้องเห็นอย่างนี้บ้างนะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเสียหน้าเนี่ยมันคือการทรมานอัตตามันจะได้อ่อนนั่งผมตนให้มากขึ้นนะมันจะได้ สำรวมให้มากขึ้นมันจะได้เรียกว่าหายซาเนี่ยพูดง่ายๆหายซาถ้าเราทำยิ่งได้เราจะไม่ไปทุกข์กับเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีคนสมัยนี้มันติดเรื่องนี้มากตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนระดับนายพลนักการเมืองนักเรียนอาชีวะกตีกันเพราะเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องหน้าตาแต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่รู้ว่าไอ้นี่มันมันกิเลสแท้ๆไอ้นี่มันเป็นความหลงแท้ๆ ต้องเรียตีกันไปทําไมแต่เราปล่อยให้กิเลสมันครอบงาำปล่อยให้มานะนี่มันพรองใจเรามันกดขี่มันขี่คอเราเราก็เลยบ้าไปตามมันสติที่มันช่วยได้นะสติมันช่วยทําให้เราเห็นกิเลสหรือมานะที่มันชูคอแผ่ประกาศตัวตนประกาศอัตตามันต้องไวที่จะเห็นตรงนี้ด้วยเวลาเห็นอารมณ์ความรู้สึกในคิดที่เกิดขึ้นจะต้องเห็นไอ้ตัวอัตตาหรือความยึดติดในอัตตาที่มันแสดงออกในรูปของมานะ ไม่ใช่แค่เห็นสามารถรื้อถอนตัวกูของกูไปได้เท่านั้นแต่ว่าจะต้องสามารถที่จะเห็นเท่าทันในความรู้สึกว่านี่กูนะนี่กูนะถ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยสติเป็นตัวสำคัญสติที่แรกก็สามารถที่จะรู้เท่าทันไอ้ตัวมันนะแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ทุกข์ไปตามมันแต่ต่อไปสติจะช่วยทำให้เราเห็นเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรา อย่างที่ได้พูดไปแต่ตอนเช้าว่าถ้ามันเห็นมากๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ความสงบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางเท่านั้นแต่มันเห็นแล้มันก็จะรู้ว่าไอความรู้สึกนึกคิดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสติมันจะช่วยทําให้เราเห็นเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญาคือมันเห็นมากๆเนี่ยปัญญาก็จะสุกงอมจนกระทั่งรู้แล้วว่าโอ้รูปนี้ไม่ใช่เรา รูปนี้ไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นว่านา้มนี่ก็ไม่ใช่เราและความยึดติดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่หรือว่าความยึดติดว่านี่กูน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งในการที่ปัญญาจะถ่ายถอนหรือถอนออกมาได้ถ้ามาถึงขั้นนั้นได้ก็เรียกว่าหมดทุกข์สิ้นเชิงนะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าทีนี้เรายังไม่บรรลุทันนั้นแต่เราก็สามารถที่จะรื้อถอน ออกจากอำ น, นาจของมันได้เป็นขณนะขณะนิพพานชั่วขณะที่อาจารย์พุทธะเลวะสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วขณะนีนมันก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาก็ยังเข้าถึงได้จิตว่างชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะมันก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะทําให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องไปรอว่าต้องเกิดนิพพานที่เป็นเรียกว่านิพพานสมบูรณ์สอุปาทิเสสนิพพานคือถึงแม้ไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ ยังสามารถจะสัมผัสนิพานชั่วขณะได้จากคาที่เรามีสติและสติที่บ่มเพาะให้เกิดปัญญาขึ้นมา